أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه و ن س ت ق ل ت ه د ي و ن ع و ذ بالله من ش و من من ر ل و ل أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يتلله فلا هادئله وأشهد أن لا إله إلا الله و ح ه د ه لا شريكا لإله الأولين و ا ل أ خ ي وأ ن وأشهد أن نبينا محمدًا ع ب د ً و ر س و ل أرسل الله بذو دين الحق ليسمره ولدين كله ولو كله الكافرون أما رب شرح ل ص د ر و ي س ل م ر ي وحل ل لسان ي ف ه و ل ي السلام عليكم و ر ح م الله وبركاته ครับว no ันนี้อาจจะแปลกใจหน่อยนะครับผมเริ่มด้วยกับดูอ่านที่ไม่ค่อยได้อ่านให้ใครฟัง แต่เพื่นเรื่องที่จะพูดคุยกันในวันนี้เกี่ยวข้องกับดวอาที่ผมอ่านก็เลยเอามาให้ฟังครับซึ่งวิาการบางขั้นอบอวดวอาทนี้จริงๆแล้วสมควรจะอ่านในใจทื่ว่ารับวิชรารีสเดอรีเนี่ยนะครับผมแต่ก็ไม่ผิดถ้าเกิดจะ่านออกมาดังๆนะครับผมครับอย่างที่พวกเราทราบความเมตตาของพระความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นมีมากมายแล้วก็หนึ่งในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็คือการที่พระองค์นั้น ประธานอิสลามมาให้กับพวกเราแล้วก็ให้เรานั้นได้เป็นมุสลิมแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือให้เรามีความรู้สึกสบายใจกับการที่ได้เป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมทุกคนนะครับที่จะสบายใจในการเป็นมุสลิมถูกไหมครับเพราะเราพบว่าบางคนการที่จะประกาศให้กับโลกได้รับรู้ว่าเขาเป็นมุสลิมบางทีนั้นเขาอายเขาไม่กล้าเขารู้สึกมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันมันหนักสาหรับเขาในขณะที่ว่ามุสลิมอีกส่วนหนึ่ง พวกเรานั้นเป็นความภูมิใจของเราที่เได้เป็นมุสลิมแล้ว ก, ก, การที่เราได้ประกาศแล้วเราคือมุสลิมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในสุราที่ใหญ่อีกบทหนึ่งนั่นก็คือสุราอัลอินชิรอสุราอัลอิญชิรอสก็คือสุราถทาแปลก็คือการให้ความประจ่างการให้ความประจ่างการให้ความชัดเจนซึ่งเป็นสุราที่94นะครับผมอีกชื่อหนึ่งก็คืออัชชัตก่อนที่เราจะมาเริ่มพูดคุยกันเดี๋ยวเราเริ่มจากการอ่านกันก่อนครับขอเชิญฟาริครับ ไม่มีอะไรหรอกไม่มนังสือไหนไม่มีหนังสือแต่ว่าอย่างที่ท <Jub> ก <ilee> ็คือเอกสารนะครับยังไม่พอเพราะนี้มันนอกปฏบแล้วค <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أ ل م ن ش ر ح ل ك ص َ ر ق و و ض ع ن ا أ ن ق َ ر ق ا ل ذ ي أ ن ق ب ر ك و ر ف ع ن ا ل ك ذ ك ر ك فإنما الأسر يصرى فإنما ا ل س ر ي ر فإذا ف ر تفصب وإلى ر ب كفر غب. ้สุร่อินชรนะครับหรือว่าสุร่อชชร์ในคุรานน่จะเป็นอีกหนึ่งสุร่ที่ว่ามีชกการใช้บ่อยค่อนข้างจะบ่อยในการละหมาดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสุร่าที่ว่ามี มีสาระมีประเด็นสำคัญที่ว่าจะเพิ่มพูนการศรัทธาของมุสลิมได้อย่างดีีิเดียวในสุร้อนนี้ในสุรออินชิรอนนี้นะครับผมสุรนนี้ขานชะการเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นสุรอนมักกียะนั่นก็คือว่าประานก่อนที่ท่านอับดุลเละสลิมจะทการอพยพนักนักับซีทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าสุร้นนี้เป็นสุรออัลมากียะจานวนอายะทั้งหมดมีทั้งหมดกียยครับผมสุร้อนนี้อินชิร้อนมีแปดสุร้อมีแปดสุร้อเดี๋ยวเรามาดูความหมายกัน ทีละอายะทีละอายะทีละอายะแล้วเรามาดูประเด็นที่เราเนี่ยจะได้ประโยชน์กันจากสุรานี้อินชาอัลล์ด้วยความเมตตาของอัลล์นะครับผมจากอายะที่หนึ่งครับหลังจากที่บิสมิลลาฮิร r a h น a ร i r a พวกพอัลล์ผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงยิ่งใหญ่พวกนี้กล่าวไว้ว่าอัลัมนะชรและกัสดรัลเราไม่ได้ให้ความกระจาแก่หัวอกของเจ้าแล้วกระนั้นหรือทาให้หอกของท่านอับดุลมัสลอัสลามนั้นกระจ่า ซึ่งการที่พรวกเราทำให้หัวอกของท่านนบีกระจ่างพวกก็ทําให้หัวอกของพวกเรานั้นกระจ่างไปด้วยกระจ่างในที่นี้มีกี่ประเด็นอย่างน้อยมี3ประเด็นเดี๋ยวเราค่อยพูดคุยกันตอนนี้เราดูความหมายก่อนประการแรกพวกเราบอกว่าเราไม่ได้ทําให้หัวอกของเจ้านั้นกระจ่างแล้วกระนั้นหรือว่าวอดอนนะอังกฤวิสระอีกทั้งยังได้ปลดเปื้องบาปออกไปจากใจของเจ้าอัลกุรอานนะครับอย่างที่ย้ําก็คือโดยเฉพาะยุสอัลมาเนี่ย คุรานที่อยู่ในยุสอ ม, มาสุรที่แต่ละสุระนั้นสั้นๆแต่ละอาย่านั้นเหมือนจะง่ายเหมือนจะเข้าใจแต่ถ้าเรามาคิดดูดีๆมันเหมือนจะไม่เข้าใจอย่างเช่นอายานี้พวอเ่าบอกไงครับเราได้ปลดเปื้องบาปออกไปจากใจของเจ้ามีใครฟังแล้วไม่งงบ้างปลดเปื้องบาปออกไปจากใจของเจ้าคือเป็นภาษาไทยฟังแล้วมารู้เรื่องแต่ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเรายัางไม่เขีย อะไรคือการปลดเปลื้องบาปไปจากใจอายะต่อไปครับบริขุสรามลปุรวลวะบารกาตูครับอัลลีอังกอเดลวะฮรบาปที่เป็นสิ่งที่หนักอึ้งอยู่บนหลังของเจ้าตอนแรกบอกว่าเอาบาปออกไปจากใจบาปนี้เป็นบาปที่ทำให้หลังนั้นต้องแบกรับแล้วก็หนักหน่วงเดี๋ยวมีประเด็นที่พูดคุยกันนะครับทั้งใจกับหลังเกี่ยวอะไรกันเหมือนจะไม่เกี่ยวเนาะใจอยู่ตรงนี้หลังอยู่ข้างหลัง วะเรากระต่อว่าไงครับวะเราฟ้าเนะีและกับดิกรอกแล้วเราก็ได้ยกเจ้าให้สูงส่งขึ้นพวกอัลละฮ์ทำให้นบีสูงส่งขึ้นด้วยกับอย่างไรครับด้วยกับการที่ให้มีการกล่าวถึงท่านนบีมุสลิมเรากล่าวถึงนบีเยอะไหมครับทุกวันทุกวันทุกอย่างที่เราทําแทบจะทุกอย่างเลยจะละหมาด จะถือสิ้นอดอะจะทําฮัตจะอยู่ที่หุงอารอฟะจะอะไรก็าตามแต่ต้องมีการนำเรื่องถึงท่านนบีมศลอย์สลัมประเด็นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแต่พวกเราบอกว่าพวกเราได้ทําให้ท่านนบีเนะี่ยสูงส่งขึ้นด้วยกับการที่ว่ามีการกล่าวถึงท่านนบีเป็นจํานวนมหาศาลเลยหลังจากนั้นครับท่านอิบรบอกว่าฟาอินนามอัลลอฮ์สดิยุสรอในความยากลําบากนั้นจะมีความง่ายใดต่างๆอยู่ด้วยเสมอ พวกเราบอกว่าในความยากลำบากจะมีความง่ายใดต่างๆอยู่ด้วยเสมอคือหนึ่งความยากลำบากจะมีความง่ายใดเป็จนจานวนมากอยู่แล้วพวกเราข่าวย้าต่อว่าไงครับอินนามาลออสติวรอแน่นอนในความยากลำบากในความทุกข์ทรมานในความรู้สึกแย่ในความรู้สึกที่ต้องฝืนต้องทนมันจะมีความง่ายใดอยู่ในนั้นเสมอพวกเราข่าวย้ําถึงสองครั้งเป็นการ เจริญสติผู้ศรัทธาเป็นการปลอบประโลมจิตใ จ, จของเราไม่ให้เรารู้สึกหนักกับสิ่งที่เราแบกรักกันวันไรอายะนี้จะสอดคล้องกันซึ่งกันและกันต่อไปครับพวกเราได้กล่าวต่อว่าไงครับฟาอิดาฟาัตฟงซบดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นทุระแล้วก็จงทุ่มเทดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จทุระแล้วก็จงทุ่มเทเสร็จทุระอะไรทุ่มเทอะไรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันตอนนี้ขอดูความหมายก่อน ดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นจากธุระแล้วเจ้าก็จงทุ่มเศซว่าอีล้วรับบิกาฟารกอบและเจ้าจงมุ่งหวังปาธนาต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าเพียงองค์เดียวครับสุราสั้นๆนี้นะครับความหมาย8วรรคสั้นๆ แต่เป็นประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็อย่างที่ผมย้ําเป็นประจำก็คือกุรอานในทุกๆอายะมีสาระที่ว่ายิ่งเราอ่านบ่อยเข้าบ่เข้าเยอะเราพิจารณามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะยิ่งได้สาระมากขึ้นในสุร้อนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสุร้อนครับที่ว่ามุสลิมเราควรจะต้องให้ความสําคัญกันเยอะหน่อยแน่นอนครับไม่มีตัวบทฮะลิสที่มาระบุว่าสุระอนนี้ประเสริฐกว่าสุร้อนอื่นอย่างไร แต่อย่างที่เราทราบก็คือถ้าพูดว่าเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ทุกอายะประเสริฐหมดดีหมดอย่างในอายะนี้ครับอัลลอฮ์เล่มกับคำว่าอัลัมนชรัชและกัสดารักอัลลอฮ์ได้ทําให้หัวโจหัวอกของเจ้าเนะี่ยมันโล่งแล้วมันกระจ่างแล้วความหมายในในสายนี้ครับอย่างน้อยที่สุดครอบคุมทั้งหมด3ความหมายด้วยกันที่ว่าทําให้เกิดความกระจ่าง ซึ่งอายะนี้ไม่ได้จำเพาะจากจงททานบีมูฮัมมัดสลลัมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมพวกเราทุกคนด้วยเหมือนกับในกุรานในซารัมข้าพเราได้ทรงกล่าวไว้ว่าฟาไมยูยُ ر ِ د อัลฮุยชรัศดรยูริดอัยยูดิลล ر َ์อัลยะลศดรฮุดายกันฮาระِอักวอัลลาุอายะกุรานนี้เป็นอายะที่มุสลิมเราต้องระวังตัวกันให้มาก พวกเราเคยรู้สึกไหมครับบางครั้งเวลาละหมาดแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าหนักรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีอารมณ์จะทําอะไรเลยวันนี้หรือบางทีอ่านกุรานแล้วก็ทำไมฉันอ่านไม่คล่องสักทียิ่งอ่านยิ่งรู้สึกแย่ yeah. ทําไมเขาบอกอ่านกุรานแล้วใจสงบทำไมฉันอ่านแล้วใจว้าวุ่นมีเรื่องเป็นร้อยเลยตอนไม่อ่านกุรานนี่ไม่มีเรื่องเลยเลยนะแต่พอหยิบกุรานมาอ่านปุ๊บอะเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วมันอ่านมันเครียดมันหนักอกหนักหนักหักห อายะกรานอายะนี้ครับพวกอเลออธิบายไว้ชัดเจนเลยว่าไงครับใครก็ตามที่พวกอเลต้องการให้ทางนำเขาต้องการให้เขาได้ดีต้องการให้เขาเป็นบ่าวที่ดีของพระ อ, องค์ย้ำนะใครก็ตามที่พวกอเลต้องการให้เขาเป็นบ่าวที่ดีของพระ อ, องค์พวกอเลจะทำให้หัวใจของเขานั้นปลอดโปร่งกับการเป็นมุสลิมในยายะกราหใช้คาว่าจะทำอกของเขาปลอดโปร่งในอิสลาม หมายความว่าการเป็นมุสลิมเป็นดาบสองคมให้ผลสองทางสำหรับผู้ที่เขาปรารถนาความรักความไม่ตาจากอัลลอ์การที่เขาได้ละหมาดมันคือการพักผ่อนของเขาอันนี้คือสูงสุดหัวใจของผู้ศรัทธานะตอนนี้ใครยังไปไม่ถึงมีผมคนงไปไม่ถึงไงนะ ใครก็ตามที่ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นขอให้รู้ว่าขั้นสูงสุดของผู้ศรัทธาคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกเหนื่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแย่ที่เรารู้สึกไม่สบายใจเราอยากจะพักผ่อนถ้าได้ละหมาดจะทําให้เรารู้สึกว่าแบตเราได้ชาร์จรู้สึกว่ามีพลังจะไปทําอย่างอื่นต่อแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่ว่าฉันจะละหมาดแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าฉันขอชาร์จแบตให้เ ต, เต็มก่อนให้มีแรงละหมาดอันนี้ตรงกันข้ามกันแล้ว ครับเนื้อกราดนี้พ่เราพูดว่าไงนะครับใครก็ตามที่เอาพ่อลละนั้นต้องการให้ทางนําเขาพ่อจะให้หัวอกของเขานั้นปลอดโปร่งในเรื่องของอิสลามฟังเรื่องอะไรมาก็รู้สึกดีไปหมดอายะกุราดที่พ่อละพูดโอ้ะ น, นี้ฉันก็ชอบอันนี้ก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขไปหมดว่าไมยูริสไอยูดินและฮูไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ฟังกุราดแล้วจะใจสงบไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเอาตัวเราเองเ่ย ตัวเราเองเห็นด้วยไหมครับว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่เราฟังอัลกุรอานแล้วเราจะรู้สึกสบายใจคือเวลาทอ้อเวลาแย่เวลาลบๆอะฟังกุรอานอาจจะรู้สึกดีแต่หลายๆครั้งถ้าเกิดอย่างมีความสุขถ้าเกิดอย่างมีอะไรก็ตามถ้าเลือกเปิดอยากเปิดเพลงมากกว่า <S <S เห็นด้วยไหม <S <S อยากฟังอะไรฟังข่าวมากกว่าอยากอะไรก็ตามเดินทางระยะไกลๆเนี่ยเปิดตลกเปิดอะไรก็ตามแต่ ถ้าเปิดกุฎานปุ๊บรู้สึกหนักมันจะรู้สึกหนักเคยเป็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเอาพูดถึงแค่ตัวมันมีขึ้นมีลงบางครั้งก็คือการได้ฟังกุฎานแล้วรู้สึกว่าอ إ ي م านมันเพิ่มพูนแต่บางครั้งเวลาที่อ إ ي م านลงมากๆเนี่ยฟังกุฎานแล้วเราเครียดนะเห็นด้วยไหมครับเอาโอเคขนน้านไปสักตอบดีละพม่ตองตอบดีละเพราะเรากำลัด้ังกุฎานว่า ไ, ไงครับแล้วใครก็ตามที่พระ อ, องค์ต้องการให้เขาหลงผิด พระองค์จะทำให้หัวอกของเขานะ่รู้สึกครับแคบเหมือนกับขึ้นไปในที่สูงพวกเราเเปรียบเทียบให้ฟังการนามยัสสะอดุดฟิสสะมะยิ่งถ้าเกิดเราขึ้นไปในที่สูงที่สูงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอากาศยิ่งเบาบางลงการหายใจจะยิ่งลำบากการหายใจจะยิ่งลำบากการทำงานของหัวใจจะยิ่งมีปัญหามากขึ้นพวเราเเปรียบเทียบเห็นชัดเลยครับใครก็ตามที่พวกเต้องการจะให้เขาหลงผิด ทำไมพวงละล้อถึงต้องการให้ใครสักคนหลงผิดเมื่อคนคนนั้นเลือกอยากจะหลงผิดคือพวงละล้อไม่ได้จับให้ใครหลงผิดนะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าเลือดเลือกที่อยากจะใบทางที่ไม่ดีแล้วพวงละล้อก็จะให้เขาได้ตามที่เขาเลือกซึ่งพวงละล้อบอกว่าเหมือนกับที่เขานักขุนฟากฟ้ากัดาริกายชุลละหุลฤทธิศาลาเลดีนาายุมินูนด้วยเหตุนี้แหละที่พวงละล้อทําให้หัวใจของผู้ไปเสรัตยานั้นมีสิ่งที่ศกกระปงเกิดขึ้น พอรอเมตานะพอราใช้คำว่าทำให้หัวอกของผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งๆที่จริงๆผู้ศรัทธาก็เป็นเหมือนกันผู้ศรัทธาก็เป็นเหมือนกันใจแยกรานี้ทำให้เราตรวจสอบตัวเองได้นะครับคำว่าทำให้หอกกระเจาเนี่ยทำให้ไม่คับอกคับใจเจอปัญหาอะไรก็รู้สึกเหมือนจะผ่านไปได้ตลอดเนี่ยเป็นคุณลักษณะเฉพาะของผู้ศรัทธาเท่านั้น สังเกตดูครับคนบางคนที่แบบว่ามอบหมายต่อลรถอย่างแท้จริงที่เขาพยายามทําอย่างเต็มที่ที่ว่าขา่าวลึกถลับเป็นประจําที่ว่าเขาเป็นบ่าวที่ล่ากับรถอย่างแท้จริงเหมือนกับว่าอะไรก็ตามสําหรับเขามันจะง่ายไปหมดเลยเคยสังเกตไหมครับคือเหมือนกับว่าชีวิตเขาไม่มีปัญหาเลยทั้งๆ ท, ที่ปัญหาเยอะมากบางทีเยอะกว่าเราอีกแต่เมื่อเหมือนกับว่าเดี๋ยวเขาจะทําอะไรเดี๋ยวมันก็มีทางของมันมีที่ไปของมันประการแรกเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากใจ ผัวล้อก็กล่าวในอญญายาานี้ครับว่าไม่ใช่หรือที่เรานั้นทําใหอ้อกของเจ้านั้นมันกระจายในยกรนี้พวกล้อใช้เฟรนูลมูดแร้ก็คือนัชรอเราทําให้กระจางซึ่งความหมายครอบคลุมถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตหมายถึงผัวล้อทําให้อกของเจานาบีกระจายไปเรื่อยเมื่อกี้ผมบอกว่ามี3ความหมายแล้วอยู่ในความหมายที่หนะึ่งเนาะความหมายที่1ก็คือทําให้หัวอกของเรานั้นรู้สึกปลอดโปร่ง เวลาที่เรานั้นได้ทำอิบาดาต่อเนี่คือความหมายที่หนึ่งเนาะที่แกทำให้ปลอดโปร่งอัลล่ะนะเราเราไม่ได้ทำให้อกของ้าปลอดโปร่งแล้วเหรอก็คือเวลาทำอิบารดาแล้วรู้สึกว่าสงบเหมือนกับในสุลตูมัตรครับอายะที่สองพรากล่าวว่าอาฟาแนชระฮัลลอฮุซัดาะฮลิลอิสลามฟะฮูอัลาูริมมินรอบบิฮิฟะไวลุลลิกาสียติุลบุฮุมมินิลิลลาอุลัยกาฟีดอลาลิมบินพวกเรากล่าวไว้นะครับในสุสสมู ม, มรรัตว่า อฟัฟ man ไม่ใช่หรือผู้ที่อัลลอฮ์นั้นได้ทําให้หัวอกของเขานั้นปลอดโปร่งในการเป็นมุสลิมในการเข้ารับอิสลามฟาฮูวาอัลเนูริมรับบีเขานั้นเหมือนกับว่าอยู่บนรัศมีจากพระผู้อวยพรของเขาคือรู้สึกปลอดโปร่งรู้สึกสบาย อ, อกรู้สึกสบายใจเหมือนกับลุกริมมตอนเช้าใช่ไหมครับเพราะจะดีตอนก่อนจะตื่นมาใชัตอนมันอาจจะล่ามโซเราเยอะหน่อย อย่างที่เรารู้ตอนนอนใช้ตอนจะผูกปมไว้สามปมไม่ให้เราตื่นแต่ถ้าเกิดเราตื่นมาแล้วทาตามที่ท่านบีบอกไว้ให้ปมสามปมหายไปทำไงให้ปมสาปมหายผมถามกันมาชาลแล้วก็เยี่ยมครับผมอันนี้ความรู้นี้ท่านได้มาจากไหน เ, เ, เมื่อไหรผมจําไม่ได้โอเคครับนึว่าอาจารย์ทัดเดงั้นก็ปกติเวลามุสลิมจะหลับใช่ไหมครับชัยตอนจะเข้ามาผูกปม3ามปมแล้วก็บอกว่าหลับยาวๆเลยเนะี่ยหลับให้ยาวซึ่งท่านอบีบอกว่าเวลาตื่นมาเนี่ยส่วนใหญ่โดยเฉพาะมุสลิมตื่นมาแล้วจะไม่กระปี้กระเป๋าถ้าจะกระปี้กระเป๋าต้องทํา3อย่างก็คืออย่างแรกก็คือต้องขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิ อัจฉริยะนะบะได้มาอ่มาต้นนะไหวเลยินูชูดใครไม่เคยอ่านอ่านเป็นประจำซะนะครับขอบคุณ Allah ที่ให้ฉันได้มีชีวิตหลังจากที่ให้ฉันตายแล้วถึงเวลาเราต้องกลับไปหา a า l a h ถ้าไม่ได้ดาบวันี้ขอบคุณ a l l a ก็พอแล้วตื่นไหมอ่านห้มดยรีและขอบคุณที่ให้ได้ตื่นขึ้นมาอันที่สองก็ทําน้ําละหมาดก็คือแปรงฟันแปรงฟันนี่ช่วยได้เยอะเลยแปรงฟัน<ๆ>ทำน้ำละหมาดจนเสร็จปุ๊บแล้วก็ละหมาดตอนสามขั้นตอนนี้อย่างถูกต้องสมบูรณ์เขาจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าทั้งวันเลย นี่คือคุณลักษณะของมุสลิมแต่ใครไม่ได้ทำอย่างนั้นก็คือก็ปุสามกปมนี้ก็อยู่หรือบางคนอาจจะบอกว่าผมมีปมลเป็นล้านแล้วก็ได้นะชัยตอนมาปุ๊บก็ผูกเรื่อยๆผูกผูกผู ก, ผกจนไม่มีที่จะผูกอะไรแกบางทีชัยตอนคงบอกฉันไม่ต้องผูกแล้วไงมันก็ไม่ตื่นแนวะสุบิลนละนะครับซึ่งพระราตน์บอกนะครับว่ารัศมีจากพระลัตน์ที่ให้เนะี่ยให้แก่บาวที่เขาเลือกเทียบเป็นผู้สัทธาฟาไยลุนลิลกอเซียติกูลูบิบุฮุม แต่ความหายยนะจะเกิดขึ้นแก่หัวใจที่หยาบกระด้างหัวใจที่หยาบกระด้างหัวใจเรารู้เปล่าใจที่หยาบกระด้างหัวใจที่หยาบกระด้างเป็นยังไงครับเวลามองโลกปุ๊บมีแต่ด้านลบเวลาเจอคนใกล้ตัวถ้าเจอคนอื่นไม่เป็นไรเจอคนใกล้ตัวเราจะพูดแต่คําที่หยาบกระด้างคือปกติมุสลิมเราใครคือคนที่เราต้องพูดดีที่สุดครับคนนอกบ้านหรือคนในบ้านคนในบ้านนะย้านะครับย้านะทุกคนเห็นด้วยนะ หน้าที่วายิบเลยมุสลิมเราคนที่เราต้องพูดดีด้วยที่สุดคือคนในบ้านถ้าจะพูดหยาบต้องเป็นคนนอกบ้านแต่สมัยปัจจุบันมาตรงข้ามกันเพราะคนนอกบ้านเราต้องใส่หน้ากากในบ้านนี้ไม่อยากใส่หน้ากากบางทีแปลความเครียดจากข้างนอกมาลงคนในบ้านอีกคือบางทีลูกอยู่ที่เฉยไม่ได้ทาอะไรเนะี่ยไอ้นี่อย่างวันวัเมื่อว่าทำอย่างมันอนนี่ด่าเป็นชุดเลยแบบลูกก็เฮ้ยทุกข์เอาก เอาครับพาว่าพหมาู่ถึงคนอื่นแล้วกันครับเขอูถึงแค่หมู่เขากับปอแล้ครับผมแต่หมายถึงว่าเป็นปัญหากี่ยวกบบางเติมมุสลิมมัวเขาลืมไปครับฮะดิซีท่านนาบีมั ส, สลิมสระบอกว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกท่านคือคนที่ดีที่สุดต่อครอบครัวของเขาคือครอบครัวของเราเป็นอันดับหนึ่งคือใกล้ที่สุดไปถึงญาติไปถึงเพื่อนบ้านไปถึงเพื่อนแล้วก็ไปไกลเรื่อยๆแต่ปัจจุบันถ้าจะพูดหวานโดยเฉพาะผู้ชายคือ เวลาเจอยิงิงผู้หญิงน่ารักน่ารักกันนะโอ้น้องไปได้พ่องกันแล้วโอ้น้องสบายกันน้องค่อยๆเตีวฟารินยิ้มอย่าง <c oughs> มาแจ้วหรออ๋อยิ้ม เ, เฉยๆนะะผมยิ้มก็ไม่ได้ฟารินบอกยิ้มก็ผิด <c oughs> อันนี้คือสัญลักษณ์แรกของการที่มีหัวใจที่หยาบ ก, กระด้างก็คือพอรู้สึกอยู่กับคนใกล้ตัวหรืออยู่กับคนที่ต่ําต้อยกว่าแล้วเราไร้มารยาทกับเขา อย่างคนบองคนบอกครับถ้าอยากรู้ว่าใครสักคนนี้ใส่ที่แท้จริงเป็นยังไงให้ดูว่าเวลาเขาเจอคนที่ต่ํากว่าเขาเขาทํำยังไงต่ํากว่าไม่ใช่ความสูงต่ํากว่านะแต่หมายถึงอาจจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ต่ํากว่าอาจจะเป็นลูกจ้างอาจจะเป็นคนถี่จนกว่าหรือรับหลังที่ไม่มีคนอื่นเห็นนะั่นพฤติกรรมที่เขาทํานั่นแหละคือตัวตนที่แท้จริงอีกส่วนหนึ่งของเขาดูได้จากตรงนั้นดูได้จากตรงนั้นลักษณะที่สองครับการที่สังเกตว่าหัวใจของเราหยาบกระด้างหรือเปล่า เวลาละหมาดเวลาอ่านอัลกุรอานเวลาทําอิบารัดเครียดนี่แหละหัวใจหยาบกระด้างแน่นอนหัวใจตายแน่นอนเพราะเวลาหัวใจที่ตายอ่ะครับทำสิ่งที่ดีมันรับไม่ได้มันต้องทําอะไรก็ตามที่มันสิ่งไม่ดีคือยกตัวอย่างง่ายๆปกติธรรมชาติของคนเราจิตใจเราก็อยากทาสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับคือปกติถ้าเกิดทําอะไรที่ไม่ดีเป็นชั่วโมงเราอยู่ได้นะฟารินะนนะเหมือนกับเล่นเกมอ่าสชั่วโมง3มชั่วโมงเราเล่นได้เห็นด้วยเนาะอ่าเห็นด้วยโอเคครับผม แต่ถ้าเกิดว่าเวลาทําอะไรที่ต้องทําอย่างเรียนหนังสือโอ้ลับที่อร่อยที่สุดคือหลับในห้องตอนครูกำลังสอนต้องครูไม่รู้เลยน ะ, ะถ้าครูรู้เนี่ยมันมันไม่ซอใช่ปะมันไม่ครบเงื่อนไขครูต้องไม่รู้ต้องแอบหลับมันเป็นอะไรที่แบบหลับฟินจริงๆคิดว่าหลายท่านน่าจะมีประสบการณ์เอางี้เราได้สองข้อแล้วเนาะการรู้ว่าหัวใจของเราหยาบกระด้างหรือไม่อย่างแรกก็คือพฤติกรรมที่ทํากับคนที่ใกล้ตัว เราทำยังไงอันที่2ก็คือเวลาทําอิบาดาหัวใจของเรารู้สึกอย่างไรอันนี้แสดงให้เห็นถึงความที่หัวใจอยากกระด้างอันที่3ครับอันที่สความรู้สึกนึกคิดของเราที่มีต่อคนอื่นถ้าเรามีแต่ความอิจฉาริษยาถ้าเรามีแต่ความรู้สึกเวลาเห็นใครที่ได้ดีกว่าปุ๊บอยากให้มันต่ำอยากให้มันได้สิ่งที่แยก่กว่านี้ฉันอยากจะได้มันเองหรือว่าอะไรก็ตามแต่อันนี้อันที่3ก็คืออยากให้คนอื่นได้น้อยกว่าตัวเองคืออยากได้แยอกว่าตัวเอง อยากได้เยอะกว่าคนอื่นเขาครับอันนี้คือคุณลักษณะของคนที่อยูายา่ยบแยบกระด้างอันที่4สีส่เทวโลกผู้ทรงสงกล่ารในกุรานก็คือคนที่ว่าถึงเวลาแล้วอยากให้คนมาขอบคุณมาชมตัวเองในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทํบาบ่ยู่ฮิปุนอายุมาดูนะมีมาลำยฟุลที่ลกล่าวในกุรานนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยจะชอบให้คนมาสรรเสริญมายกย่องในสิ่งที่เขาไม่ได้กระทา ฟังแล้วเหมือนจะเข้าใจแต่แอบงงหรือเปล่าครับยกตัวอย่างง่ายๆครับผมเอาเรื่องที่แบบว่าไม่เดือดร้อนผมเท่าไหร่แล้วกันเนาะตัวอย่างมันเยอะมันมีตัวอย่างที่เดือดร้อนด้วยเอาตัวอย่างไม่เดือดร้อนเหมือนกับสมมติไปจ้างคนทําวิาทยานิพนธ์ตัวเองไม่ได้ทําเลยจะจบปาโทเงี้ยจ่ายตังค์ให้เขาสามหมื่นทำวิทยานิพนธ์ให้ฉันหน่อยพอทําเสร็จออกมาปุ๊บถึงเวลามีคนมาชมวิทยานิพนธ์นี่เจ๋งจังเลยนะหน้าบานปิดกระด้งตัวเองทํำไหม ไม่ได้ทําอะไรเลยโอ้โหนี่รายงานงานเนี่ยฉันทําเอาเหนื่อยแล้วเกินไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะนธรรมชาติของเราเป็นแบบนี้ไหมครับชอบชมในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทําชอบเอาแน่เหมือนกับว่างานงานหนึ่งถ้าเกิดทํากันสักร้อยคนสมมติว่าทางสุราจัดงานอะไรก็ตามแต่อาจจะเป็นหาไรายได้เข้าหรือว่าการเรียนการสอนอะไรก็ตามแต่อาจจะมีคนเหนื่อยสิบคนแล้วมีคนที่สิบเอดมาเนี่ยเอาน้ําไปเสิร์ฟเฉย มาจัดโต๊ะจัดกล้องจัดอะไรเล็ก น, น้อยคือมาทำตอนจบแล้วอะครับแล้วถึงเวลาก็อยากให้คนเห็นว่านี่นะฉันมาช่วยงานใหญ่ในนั้นงานนี้สนเร็จได้นี่เพราะตัวฉันนะชมฉันเยอะินะขอบคุณฉันนะพอมีคนขอบคุณปุ๊บหน้าบานมีไหมครับสังคมยุคนี้ครับพอรักเกลในกุรานครับคนบางส่วนก็คือชอบถูกชมในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำคือเหมือนกับว่าไอเหนื่อยนะไม่อยากเหนื่อยแต่ไอผลน่อยากได้ เหมือนกับเวลาบางครั้งเราอิจฉาคนที่รวยอย่างไงครับคนบางคนกว่าที่จะรวยนี่คือผ่านมรสุมมาแบบเราไม่มีทางผ่านได้อะแต่เขาผ่านเหนื่อยมาเป็นสิกว่าปีพอเขารวยปุ๊บฉันอยากรวยเหมือนเขาจังเลยแต่อยากเหนื่อยเหมือนเขาัหมไม่อยากเหนื่อยอยากได้ผลเฉยๆอันนี้คือคุณลักษณะของคนที่หัวใจหยาบกระด้างชอบคำชมในสิ่งที่ตัว ไอ้ชอบคําชมทุกคนชอบผมก็ชอบทุกคนก็ชอบแบบพี่เขาพูดใช่ไหมเขาว่าอันอ้อยตาหวานลิ้ล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายเจ็บอื่นหมื่นแสจะแครนคายเจ็บจนตายก็เพราะเหน็บให้เจ็บใจคําพูดหวานๆนี่มันจําไม่ลืมคําพูดสแสบๆที่มันเหน็บมาทีนี่บางทีจําแบบแคะนกันจ น, ว, นวันตายอะครับครับ ในฮะดีสนะครับท่านดะฮันะครับได้รายงานจากขุนัวบาสกายาอุล l l a อายันชารอัสกล่านะมวมฟกาาอุล a ล ل ك ะกล่านะมอัฟีอันดลลกรู ا ل อินาบอีลดลลัลูรุลอใน ت ف ของเชคุรตูบีนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงคุณลักษณะของคนที่หัวใจหยาบกระด้าง อยากรู้คุณลักษณะของคนที่หัวใจหัวใจปอดโป่งไหมครับเป็นยังไงบ้างเป็นเราหรือเปล่ามาดูครับมีครั้งหนึ่งครับท่านซาฮบะนะครับผู้ประกาศซาฮบะท่านอิบ น, นบาบบัสได้ถามท่านอบีุลมฮัมหมัดสุลต่านสุลต่านมุฮัยาินสูลแล้วเนี่ยหัวใจของเรามันมีการกระจ่ายมันมีโอกาสที่มันจะปอดโป่งหรือเปล่าท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลต่าก็พูดในความหมายว่าแน่นอนเป็นไปได้ที่หัวใจของมุสลิมผู้ศรัทธานั้นจะ รู้สึกว่ารุ่งรู้สึกว่าโปรง่งไม่รู้สึกครับอกครับใจรู้สึกไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้โดนทดสอบแค่ไหนก็ผ่านไปได้ท่านอบราฮิมได้ถามว่ามีคุณลักษณะไหมอยากรู้เป็นยังไงเนะหรอนว่าใจที่ว่าเนี่ยท่านอับดุลเบี๋ยมสุลต่มได้บอกไว้สามอย่างใครก็ตามอยากรู้ว่าตอนเนี่ยเราได้หัวใจที่ปลอดโปร่งหรือยังถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยขอดัอามีดัวซึ่งเดี๋ยวเราพูดกันแต่ถ้า ได้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอ์รักษามันไว้ให้ดีท่านับีรอัสซาดนบอกว่ามี3อย่างครับอันแรกแต่เจฟีอันดาริลรูรุพยายามออกห่างจากโลกแห่งการหลอกลวงใครก็ตามที่เขาพยายามเอาตัวอยู่ให้ไกลจากดุนยาไม่ใช่หมายความว่าทิ้งดุนยาเลยนะคือ ง, งานก็ต้องทำมีามานะก็ต้องทำมีหน้าที่ก็ต้องทำแต่อยู่เท่าที่จาเป็น ถึงเวลาปุ๊บมีซีรีส์เกาหลีโผล่มา1ิบตอนจะไปดูทำไมหรือว่าหนังซีรีส์เน็ตฟลิกเน็ตฟลิกใช่ปะ่ะอ่าเห็นว่ามีซีรีส์เยอะซีรีส์ญี่ปุ่นซีรีส์ซอมบี้ซีรีส์อะไรก็าตามแต่ที่มันเป็นหนังยาวอะครับจะไปดูทำไมคือเสียเวลาทำไมหรือว่าหนังไทย ตอนนี้เขากำลงงังดังเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่ว่าพี่น้องฝาแฝดเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็จะเป็นหนังเกย์หนังตุ๊ดแล้วก็ไม่รู้นะครับดูเพื่อ <c oughs> คือขอขอมาป์ น, นะครับใครชอบดูผมผมไม่รู้นะ <c oughs> ผมขอโทษถ้าเกิดว่าพูดไปบรบกวนกระทบกระเทือนจิตใจใครเพียง <c oughs> แต่ว่าคุณลักษณะของหัวใจที่ปลอดโปร่งที่ท่านอับรรอดุลสลามผอพูดไว้ก็คืออะไรที่มันเป็นภาพลวงตาอะไรที่ว่ามันเป็นความหลอกลวงอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงอ่ะ หัวใจของผู้ศรัทธาที่ปลอดโปร่งเนี่ยเขาจะไม่อยากอยู่ใกล้สิ่งเหล่านี้ผมไม่ได้บอกว่าผมรอดแนะผมก็ไม่รอดเขาแรกผมไม่รอดผมก็มีเรื่องที่ตกหลุมอยู่ยังมีเรื่องที่ติดลมอยู่นะฟรานดีลูนะเรื่องอะไรไม่ถึงแต่เราจะได้เซ็ตเป้าหมายเอาไว้ตั้งเป้าหมายไว้ไมสเตลใช่ไหมเขาเรียกไมสเตลรึป่าตั้งเป้าหมายไว้เนี่ย3อย่างเนี่ยฉันต้องไปให้ได้ฉันจะได้เป็นบุคคลที่ว่าหัวใจนั้นปลอดโปรง่ง พยายามออกห่างจากการหลอกลวงท่านบีนสัสเซียนใช้คำว่าโลกแห่งการหลอกลวงไม่ได้ใช้คําว่าโลกดุลยาเพราะท่านบีไม่ได้บอกว่ามุสลิมต้องทิ้งดุลยยาดุลยาเราทําเต็มที่นั่นแหละแต่อะไรที่มันเป็นความหลอกลวงออกห่างจากมันซะเวลาค้าขายเราก็ไม่โกหกเวลาที่มีคนให้ความไว้วางใจเราก็ไม่หักหลังเขาเวลาสัญญาเราก็ทําตามที่เราสัญญาอันนี้คือการออกห่างจากโลกแห่งการหลอกลวงทั้งหลาย อะไรที่มันเป็นความหลอกลวงที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีออกห่างจากมันซะไม่ใช่ว่ า, ามันก็ไม่ใช่ฮารอมนี่ฉันต้องทําได้สิมุสลิมบางครั้งเนี่ยเราเลือกที่มีความสุขที่จะทํามักรู้มากกว่ามีความสุขที่จะทําสุนนะเห็นด้วยไหมครับมักรู้คือสิ่งที่น่ารังเกยียจมุสลิมปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดมีข้ออ้างให้ทําอะไรที่มันมักรู้ได้พร้อมที่จะทําเพราะใจมันอยากทํ า, ทาอยู่แล้วแต่อะไรที่เป็นสุน animal, สนะเนี่ยถามว่าอยาก ท, า alies, ทาํำไหมอะไรที่มันควรจะทำอะครับถือสินอดในวันเกิดตัวเองอย่างเงี้ ถามหน่อยถ้าถามมุสลิมทั่วไปเราคิดว่าอันไหนที่ทำให้เขามีความสุขมากกว่ากันระหว่างเมื่อครบวันเกิดแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูเนี่ยนะระหว่างให้เขาถือสินอดกับให้เขาจัดงานแล้วมีเ ค, ค้กคิดว่าเขาจะชอบเลยมากกว่ากันเห็นด้วยนะครับอ่าชัดเจนนะครับ ท, ทั้งทั้งที่โอเคขั้นต่ำสุดของการจัดงานวันเกิดคือมักรู้สิ่งที่น่ารังเกียจแต่ใจชอบ ในขณะที่ซุนนะที่านนบีมัสลิลอยสลามทํามีคนถามท่านนมีว่าทําไมท่านรับสุรัตถึงถือสุลตในวันจันทร์ท่านนบีบอกว่าไงครับเป็นวันที่ฉันเกิดฉันเกิดวันจันทร์ไม่ใช่แค่ปีละครั้งนะท่านนบีท่านเล่นอาทิตย์ละครั้งเลยไม่ได้ล็อกที่วันที่ล็อกที่วันที่เกิดเกิดวันจันทร์ทุกวันกันถือว่าเป็นคายวันคายวันเกิดของท่านนบีท่านนบีถือสุลตอันไหนซุนนะครับอันนี้ทําแล้วดีถือสินอดคนอยากทํากันไหม ไม่อยากผมก็เลยบอกว่าถ้าให้เลือกคนเราลิมเราเนี่ยมีความสุขที่จะทำสิ่งที่เป็นมักรู้มากกว่าสิ่งที่เป็นซุนนะซึ่งมันตรงกันข้ามกับคนที่หัวอกปอดโปง่งเห็นชัดเจนนะงั้นอันแรกที่ตาบีบอกไว้ครับออกแหงจากโลกแห่งการหลอกลวงอันที่สองคืออะไรครับอันที่2ก็คือกับเนื้อกับตัวเพื่อพร้อมที่จะไปสู่โลกที่จะต้องไปอยู่ตลอดกาล คือมีความพร้อมที่จะไปสู่โลกที่เราต้องไปตลอดการคำว่าพร้อมคืออะไรครับถามว่ามีใครบ้างพร้อมตายมีไหมครับไม่มีผมไม่พร้อมผมกลัวตายพูดกันตรงๆเลยเราไม่พร้อมแต่คำว่าพร้อมที่จะไปโลกแห่งตลอดการเนี่ยหมายถึงพยายามสะสมสะเสบียงให้มากมากๆๆเท่ า, า, า, า, าที่จะเป็นไปได้อะไรที่ว่ามันจะไปโลกหน้าเนี่ยพยายามสะสม เหมือนกับที่ท่านนบีมุสลิมพูดกับท่านหญิงไอชาภรรยาของท่านตอนที่ว่าได้แพ้มาตัวหนึง่งท่านนบีสั่งให้ท่านหญิงไอชาเนี่ยเอาแพ้ไปบริจาคแล้วท่านนบีก็ไปทําธุระ ข, ของท่านพอกลับมาบ้านท่านนบีก็ถามที่หญิงไอชาว่าเป็นไงบ้างแพ้เหลือเท่าไหร่ทา่หญิงไอชาบอกว่าเราบริจาคไปแล้วสามเหลือขาข้างเดียวเหลือขาข้างเดียวคือบริจาคไปแล้วสามนครับเหลือแค่ข้างเดียวเห็นด้วยไหม ท่นอบดีมสัยสยิสรมกลับบอกว่าไม่ใช่เราเหลือสามแต่เราเสียไปแล้วข้างหนึ่งพิกมุมมองคนละมุมมองแล้วเหลือสามหมายความว่าไงไอ้ข้างเดียวที่เหลืออยู่ที่บ้านเนี่ยเราเอาไว้กินกันเองใช่ไหมกินแล้วก็ถ่ายใช่ไหมมันมีผลอะไรโลกหน้าไหมไม่มัมนจบกินแล้วก็จบเป็นของที่กินแล้วก็จบมันไม่มีผลอะไร แต่ขาอีก3ข้างที่ไม่ได้กินเนี่ยแต่เอาไปบริจาคให้คนอื่นผลมันจบไหมเราแค่ไม่ได้กินโลกนี้เราแค่ไม่ได้กินโลกนี้แต่มันไปอยู่ในตราช่างความดีรอเราโลกหน้าแล้วนี่คือการตะเตรียมสเสบียงเพื่อโลกหน้าผมไม่ได้บอกว่ามีแพ้มาสตัวต้องบริจาคสี่ขาไม่ใช่นะเพียงแต่บอกว่ามุมมองของมุสลิมเราเนี่ยบางทีเราต้องเลือกมองตามที่ควรจะมอง แล้วชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยเหมือนกับอย่างไงคือการเตรียมที่จะไปโลกหน้าก็คือมองแบบที่มุสลิมควรจะมองทำในสิ่งที่มุสลิมควรจะทำคิดในแบบที่มุสลิมควรจะคิดพูดในสิ่งที่มุสลิมควรจะพูดนี่คือการเตรียมตัวเพื่อไปอยู่โลกที่เราต้องไปอยู่ตลอดการคือพยายามอย่าไปทำอะไรที่มันจะต้องทำให้างานทั้งหมดเราสูญเปล่ามีอะไรบ้างครับที่จะทาให้างานทั้งหมดของเราสูญเปล่า ชิลิคประการแรกสําคัญที่สุดแล้วตั้งปาคีต่อล็อตศูนย์หมดเลยมีอะไรอีกครับที่ทําให้การงานของเราศูนย์เปล่า<ม>เยอะนะอช่วยกันทํากันบ้านครับช่วยกันทําอาหารกินหน่อยมีอะไรอีกนอกจากชิลิกทําบิด า, ดาโอเคบิดาก็านที่จะเข้าขายเฉพาะเรื่องที่ทําแต่มีแบบอย่างอื่นอีกที่ว่าทําลายการงานดีๆของเราด้วย บิดามีหลายประเภทนะบิดาเชี่ยิกยาบิดากุฟบิดาที่ทำให้เป็นชีริกทำให้เป็นกาแฟทำไปอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ว่าทําให้การงานของเราสูญหายการไปนั่งนินทาว่าร้ายชาวบ้านมีความดีเท่าไหร่ศูนย์หมดโลกแน่เตรียมไปยกให้กับเขาเหมือนกับที่ว่ารัก่ารดีกล่าวไหมครับหัวมาไอเมดูมินอามาลินฟอร์จัลนาหัวบามันสู้รอการงานที่เขาทํามาเยอะแยะเหมือนกับว่าทําถึงเวลาปุ๊บไม่เหลืออะไรเลย เพราะว่าไปนินทาคนอื่นไปว่าร้ายคนอื่นไปอาธรรคนอื่นโลกหน้าคืนเจ้าทุกหมดเลยอสองอันละที่ทําให้การงานของเอราสูญ เ, เวลาทําอะไรแล้วไม่ได้เนียดการงานที่มันควรจะดีกับไม่ได้ดีเหมือนกับกินข้าวปกติเรากินอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเรากาล่าวบิสมิลลาห์แล้วเราเนียดขอบุณอัลลอฮ์นี่คืออาหารที่อัลลอฮ์ให้เราขอกินเพื่อรักษาลักายนี้ของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้กับเราแมา่ได้บุญไหมได้บุญจะมีสักกี่คนที่คิดน้อยยิ่งอาหารอร่อยอร่อ ย, ออยนี้บางทีคิดไม่ออก ยิ่งหิวจะจัดมาปุ๊บนี่กินปุ๊บกินเสร็จแล้วก็เออบิสมิลลาอัลลอฮ์ละหูอาเชละหูวเพื่อมาคิดได้คิดได้ยังดีนะดีกว่าคิดไม่ได้เลยแล้วบางคนอาจจะใช้มากกว่าบิสมิลลาอีกไม่บางคนบอกว่าเขามีเจตนาดีเขาอยากแกล้งใช้ตอนเอหลอกให้มันได้กินพอมันกินเสร็จแล้วกล่บิสมิลลาเหมันก็จะได้อะเจียนออกมา อันนี้ก็เขาครับมันก็เป็นเจตนาที่เหม่ค่อยดีครับเพราะว่าไปแก้งมันเดียวมันหมูมันจะแค้นมันจะเล่นอย่างคืนกอะนะครับสิ่งที่ทําให้การงานของเราต้องสูญเสียอีกยังไม่หมดแค่นั้นอย่างที่ผมย้ําเป็นประจำก็คือเรื่องของการละหมาดการละหมาดมืนกับท่านบีมัสเตซัมก็ย้ําเรื่องการละหมาดเพราะท่านบีบอกไงครับสิ่งแรกที่เราจะถูกสอบถามในวันเกียร์มาคือ การละหมาดถ้าดีทุกอย่างดีไปด้วยถ้าไม่ดีแปลว่าที่เหลือไม่ดีสักอย่างเลยประเด็นนี้บางทีมุสลิมองข้ามนะคือถ้าเกิดละหมาดฉันแทบไม่เคยมีสมาธิเลยบางทีไม่แน่ใจนี่ล็อกการ์่เท่าไหร่แล้วบางคนสิวซ่าวีจนเหนื่อยอครับสยุดเกือบทุกวันละหมาดปุ๊บมันเบอร์หัวมันลอยไปไหนให้ที่ตกลงมันกีล็อกกาส์มันสองล็อการ์มัน3าล็อกการ์ให้ฉันนั้งแต่ชาหุ้นให้บางคนสลามแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองทําอะไรไป ไม่รู้มีใครเกิหรือเปล่าสลายแล้วสลามุมตัวแล้วสลายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับเหมือนกับมันว้าบอ่ะเวลามันหายไปเลยช่วงหนึง่งแล้วแบบตกลงเสร็จต้องละมาดใหม่ไหม ม, มันมันเข้าโหมดอัตโนมตนัติแล้วไปอ่ะเขาเรียกออโต้พายロสไหมครับ<笑>ร่างกายาหนหในกรณีที่ว่าครับคือ อิสลามมีกฎอยูที่ว่าอ้อยากินลายจูลูบิชักความมั่นใจจะไม่ถูกขักล้างด้วยความสงสัยให้เราดูว่าใจเรามั่นใจกับอะไรถ้าเราจําได้ว่าเรามีละมาตัตกบียรตินิแอรอมถ้าเราจําไม่ได้ว่าเราตักบียรตินิแารอมหรือเปล่าเลยละหมาดนั้นโมดค่าเลยคือถ้าจําไม่ได้แบบไม่รู้เรื่องเลยจริงๆอะไรประมาณนะี้เพราะตักเบีรตินิแอรอมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการละหมาดถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นของการละหมาดละหมาดใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามาเบอร์ช่วงหลัง เบอร์เบอร์แบบสมมติเบอร์ช่วงสองล็อกกะแล้วไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงสองล็อกกะนั้นให้ละหมาด ต, ต่ออีกสองล็อกกาเพิ่มแล้วสิวซาวีเอาให้สิวซาวีครับครับ พวกเราได้กล่าวในคุรานนะครับว่าลาตักบุสและวันตุนสุการรอศรัทธาชนทั้งหลายจงอย่าเข้าใกล้การละหมาดในขณะที่พวกเจ้านั้นอยู่ในสภาวะที่มึนเมามึนเมาในที่นี้ก็คือเมาในกรณีของการเสพแอลกอฮอลเสพยาเสพติดแล้วเมาพวกเราไม่ละหมาดหรือเมาที่เกิดจากการป่วยไขย้คือถ้าเราป่วยไข้แล้วรู้สึกแล้วละหมาดไม่รู้เรื่องเลยแน่นอนให้เว้นไว้ก่อนให้พักไว้ก่อนให้รอให้อาการอากากรดีขดึ้นก่อนต่อให้วักดูก็ให้รอก่อน ให้รอก่อนจนกว่าจะอยู่ในสภาพที่แบบมันเริ่มมีสติสัมปันญะญญเพราะว่าบางคนนะครับมีในสมัยท่านบีณฑบาตธรรที่ว่าบางท่านขออุทานแล้วเบื่อบางฮะดีสก็บอกว่าไม่ได้เบื่อแต่ว่ามีความสุขมากเกินไปไปพูดในละหมาดสลับกันโอ้โหแท้จริงผมนั้นเป็นพระเจ้าของพระ อ, องค์แล้วพระ อ, องค์นั้นเป็นบ่าวของผมสลับไม่ได้ตั้งใจคือจริงจะบอกว่าพระ อ, องค์นั้นเป็นพระเจ้าของผมผมเป็นบ่าวของพระ อ, องค์แต่ดันไปสลับเพราะว่าเบื่อ อัยะกรานก็เลยประธานมาเตือนมุสลิมว่าเวลาช่วงที่มันเมาจริงๆเนี่ยให้หยุดในเรื่องการละหมาดก่อนแล้วมาละหมาดใช้ทีหลังไม่ใช่ว่าไม่ต้องละหมาดใช้นะต้องละหมาดใช้ทีหลังครับเพราะนั้นเราให้มีสติก่อนองนั้นพอจะเคลียนะครับระดับหนึ่งชาล็อตครับงั้นเชิญครับใครหลับครับมันง่วงบาดาดไหม ค, ครับออคือ อิบาระยิ่งลำบากเท่าใดยิ่งได้บุญนักเท่านั้นอิบาระนะครับคือถ้าไม่ถึงขั้นฝืนร่างกายนะครับคือไม่ถึงท่านอะ ไ, ไ, ไม่เกิดผลเสียคือถ้าเกิดผลเสียนะ่ะห้ามทำแต่ถ้าเกิดไม่ถึงกับเกิดผลเสียคือมันแค่ง่วงการทําอิบาดะในสภาพที่มันต้องฝืนจะได้ผลบุญก ว, ก ว, ก ว, ก ว, กวก่าการทําอิบาดะในสภาพปกติเพราะฉะนั้นถามว่าไหนดีกว่ากันละหมาสุนัขดีกว่าครับฝืนตัวเองนั่นแหละเพราะมันคงไม่มีใครหลับคาอากาศ ไม่ครับที่ว่าห้ามนี่คือในกรณีที่ว่ากลัวว่าละมาดแล้วจะมหูเรื่องละมาแล้วจะมหูเรื่องครับแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของกฎโดยทั่วไปก็คือว่าอิบาราตที่ทําอย่างยากลําบากจะมีมูลค่ามากกว่าอิบาราตที่ทําอย่างสบายแต่ฮามก็ต้องมาแจ้คนซาดิที่ว่าไปหาเรื่องเพื่อเก่าําบากกันนั้นก็มาใจ้ครับผมเราขอมาครับคําคําเมืองได้อยู่นะครับครับเราทำเวลาครับผมบางทีผมก็หลุดเสียง s o u t h t r a c ออกคำมือได้โอเคกลายเป็นคนเมนะ <laughs> ืองแล้วนะครับอ่าทำเลยแล้วครับถ้าอย่างนั้ น, นะนท่านอับเบลัสเซสลัมบอกไว้ครับหัวใจที่ปลอดโปร่งแล้วมีอยู่3มอย่างอย่างแรกก็คือออกห่างจากโลกแห่งการหลอกลวงอย่างที่2ก็คือกลับเนื้อกับตัวเพื่อพร้อมไปสู่โลกที่ต้องไปอยู่ถาวรอันที่สก็คือเตรียมที่จะตายก่อนที่จะตายเตรียมที่จะตายก่อนที่จะตาย พูดง่ายทํายากแปลว่าอะไรครับเตรียมที่จะตายก่อนที่จะตายส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมมองว่ายากมากนะครับในที่นี้มีใครจินตนาการผมพยายามจินตนาการอยู่นะหลายครั้งนะผมพยายามคิดว่าผมจะตาย ย, าายังไงนนครับ คือปกติเร า, าจจะคิดคือเราอาจจะอาจจะอาจจะคิดว่าเราเป็นมายัตแต่คิดตอนที่เราตายมันคิดไม่ออกอ่ะจะประสบอุบัติเหตุรถหรือว่าจะโดนเขายิงในห้างหรือว่าคือคือสมัยนี้มันเริ่มมีโจทย์เยอะขึ้นไงเหมือนกับที่ท่านบีมัสยสันบอกว่าช่ว ง, วงสิ้นโลกเนี่ยครับจะมีการฆ่ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถึงขั้นที่บอกว่าคนฆ่าฆาตกรเนี่ยก็ไม่รู้ว่าฆ่าเหยื่อไปทาไม แล้วเหยื่อก็ไม่รู้ว่าทําไมฉันถึงจะถูกฆ่าตรงกับยุคนี้เลยไหมครับไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จริงๆเลยไอคนถูกฆ่าเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยฉันทําอะไรผิ ด, ดฉันขับรถเฉยยิงฉันฉันเดินอยู่โดนฉันยิงไอคนฆ่าก็ไม่รู้ว่ายิงทําไมสมัยก่อนมีเหตุมีผลไงอย่างสมัยก่อนยุคใจริยะใช่ไหมครับเห็นผู้หญิงท้องอยากรู้ว่าเด็กในท้องผู้ชายผู้หญิงไอคนฆ่ารู้ไงรู้ทําไปถึงฆ่าอยากรู้ว่าเด็กเป็นเพศอะไร ผู้หญิงที่ถูกฆ่าก็รู้ทำไมถูกฆ่าไอ้นั่นมันอยากรู้ว่าเด็กในท้องฉันเพศอะไรยุคใจริยะรู้แต่ยุคนี้เรามาถึงจุดที่ไม่รู้ตอนที่ผมเจอฮาดิสแนะี่ผมไม่เข้าใจเหมือนจะเข้าใจว่าคนฆ่าไม่รู้ว่าฆ่าไปทำไมคือผมคิดไม่ออกมันจะเป็นยังไงครับไม่รู้ว่าฆ่าไปทำไม <S <S เดี๋ยวนี้ปีนี้แค่ต้นปี <S <S <S อัลลอฮุ <S <S มุซานเขาเรียกว่าไงครับจตุรมาน มันมันมั น, ม, น, ม, นมันหนักขึ้นแนละ้วคือเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีคาตรกรดินน้ำลมไฟครบสี่ธาตุแล้วอะครับเพิ่งผ่านมาใช่ไหมมีระเบิดมีอะไรน้ำก็ที่ว่าหีบเล็กนะครับส่วนลมก็ที่ว่าขโมยในร้างทองยินก็อะไรนะสมคิดสุดยอดเรามาถึงยุคที่แนวอุซบิน เชื่อแล้วก็ไปเจอผู้า่าพี่เรียนอะไรงไบอก่ที่บ้าน่เลที่เดิมใส่เลยต่ออ่เราค่โรงเรียนคไอ้นีจบมาไปสิบปีแล้วจบมาสิปียังโดนอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่อันตรายนะครับอาจจะมีใกล้ตัวกรณีกับครับไอ้ครับเขาไปบ้านอุ้มมาเข้าหูคนในบ้านไม่รู้ว่าทำไมถึงโดนด่า คนดา่าก็ไม่รู้ดา่าทําไมอเอบ่าบ่าป่าปาปาปาผมบ้าผมยังไม่โดน ช, ชีวิตผมอะไรทำเลยละครับขอบคุณนะครับชีวิตคู้ยังยังน่ารักอยู่อะไรทำเลยละหวังว่าจะน่ารักกลับไปลุ้มกับทุกท่านด้วยนะครับผมงั้นสรุปสามประเด็นนะที่บีวัสดีสารบอกไว้ที่บอกว่าการเตรียมตัวที่จะตายก่อนตายหนึ่งในสิ่งที่เป็นสุดนะที่ว่า เลืนหายไปจากประชาชาตินี้ก็คือว่าการมีพินัยกรรมเป็นสุนนะนบีเป็นสุนนะนบีแล้วก็เป็นคําสั่งใช้ของคนลอสมาตราในกุรานของพระ อ, องค์เพราะฉะนั้นมุสลิมเราควรจะมีอย่างน้อยมีพินัยกรรมข้าวข้าวพิัยกรรมข้าวข้าถ้าส่นเสียชีวิตนะให้จัดการบริหารอะไรยังไงเพราะว่าหนึ่งในสิ่งที่เป็นพินัยนที่เกิดจากคนตายมากที่สุดคือมรดกมรดก แล้วก็เวลาแบ่งก็แบ่งแบบอิสรมหน่อยนะประมาณนั้นครับที่ว่าขอเตือนไว้นะครับเพราะส่วนใหญ่แ บ, แบ่งแบบอิสลามบางทีได้น้อยมันไม่อยากแบ่งเอ้าเตรียมพร้อมที่จะตายก่อนที่ความตายจะมาคือพอความตายจะมาก็ฮิลโลฉันพร้อมอยู่แล้วประมาณเนี้ยทําอย่างนี้ให้ได้ส ร, ไสรุปง่ายๆสรุปง่ายคือพร้อมที่จะตายพร้อมทุกวันจะไห้ก็ครับต้องเป็ี่ยนลายลักษอักษรก่อน ก, ก่อนครับ ه, ขอให้มีพยายนถ้าภูเ ก, ก็ตเลอาจจะมีพยายนสองคนอู้ปากเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเดินทางพยายนคนเดียวก็ได้ละถ้าเอาเดินทางไปที่ไกลๆฮกเวยตายก่อนอาจจะอู้กับพยายนที่เชื่อถือได้แต่้หรือเขาเขียนเป็นใบเป็ น, น เ, เป็นพินัยกรรมแล้วก็มีลายเซ็นพยายนคนเดียว ใ, น ใ, นใจได้ไหมมาจำเป็นครับมาจำเป็นมัใชะเงื่อนไขแต่ก็คือว่าควรจะมีพินัยกรรมมาจะเก็บไว้หื้อไขรอาจจะเป็นคนใกล้ตัวญาติ คนที่มันมีส่วนได้ส่วนเสียฮักหัวมันมีฉบับนี้อยู่หรือว่อยก็ตามแต่ครับเพียงแต่ว่าพิธายกรรมก็มีเงื่อนไขนะครับห้ามสั่งเสียในสิ่งที่ขัดกับคําสั่งของอิสลามครับอย่างเช่นว่าเนี่ยฉันรักฉันชอบหักเม้ไมืยิงข้างบ้านถ้าแตา่นี้ยกบ้านขึ้นเขาเนื่ยประมาณอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ อันนี้คือคือค อ, ค อ, คอมันอยู่แค่ในหนังแล้วกัน <c oughs> อะไรครับ <c oughs> ครับคือถ้าเกิดเป็นลูกแท้ๆไม่มีสิทธิ์บอกว่าไอ้ลูกคนเนี่ยฉันเคยตัดพ่อตัดลูกกับมันไปแล้วมันไม่มีสิทธิ์รับมรดกอันนี้ไม่ได้นอกจากว่าลูกจะอยู่คนละศาสนา ก, กับพ่ออันนี้โอเคไม่มีสิทธิ์รับมรดกกันรายละเอียดเรื่องมรดกเดี๋ยวเราค่อยว่า ก, กันเมื่อมีเวลาเชา้าแล้วครับผมเนาะเราไปต่อกันครับงั้นอัลอินชิร์ที่บอกว่าทําไม่หัวอกกระจ่างอะ่ะ หัวข้อใหญ่แล้วบอกว่ามีสามในยะในยะแรกก็คือทําให้รู้สึกมีความสุขกับการเป็นมุสลิมมีความสุขกับการทําอิบาดา์นะอันที่สองครับการที่พองคละบอกว่าทําให้หัวโอกของท่านอบรีรู้สึกปลอดโปร่งเนี่ยด้วยกับการที่พ อ, องนั้นมอบบทบัญญัติอิสลามที่มีความง่ายดายให้ถ้าลำบากก็มีข้อ ยกเว้นต้อมีข้อผ่อนผันให้บางเรื่องก็คือยกเว้นไปเลยบางเรื่องก็มีมีข้อผ่อนผันจาเป็นต้องถือส้นดในเดือนละมดอนใช่ไหมถ้าเกิดว่าถือไม่ได้อกําลังต่างครันกำลังให้นมลูกไม่สามารถได้ก็เว้นระยะไว้ก่อนไว้ค่อยไปถือส้นดทีหลังหรือกําลังเดินทางกําลังไม่สบายหรือจะละหมาดพอจะละหมาดปุ๊บมาไม่สบายไม่สามารถโดนน้าได้อ่หม่ต้องทําน้ำละหมาดทําต่ยามุมหรืออะไรก็ตามแต่ก็คือเป็นบทบัญญัติที่ว่ามีความง่ายใดอยู่ในสิ่งที่เหมือนจะเป็นความยากลําบาก เหมือนกับการละหมาดวันละ5เวลานะครับถามว่ายากไหมเหนื่อยไหมใจมันรับไม่ได้อยู่แล้วตามธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องที่มันสบายไงทำเพื่ออะไรไม่ได้เงินเดือนไม่มีเงินให้เห็นไม่มีความสะดวกสบายอะไรตามธรรมชาติมันไม่ชอบแต่ถ้าคนที่ทำเป็นประจำแล้วมีความรักมันจะกลับกลายเป็นมันไม่เหนื่อยเลยถูกหมครับคือมันก็คือเหมือนกัาถึงเวลาก็ต้องทาเหมือนการแปรงฟันถึงเวลาก็ต้องแปรง ถ้าเกิดลูกหลานที่มันไม่ชอบแปรงฟันจะให้แปรงทีนิดเหนื่อยแต่ถ้าเกิดคนที่แปรงประจำถึงเวลาเขาก็แปรงที่เสร็จก็ไม่ไรู้สูมันเป็นภาระหน้าที่เพราะฉะนั้นบทไมตรอิสลามเป็นบทบัญญัติที่โพลล์นั้นให้ความง่ายดายเป็นบทบัญญัติที่เน้นการให้อภัยเป็นบทบัญญัติที่ว่าเน้นในเรื่องของมนุษยธรรมคือไม่มีอะไรที่ว่ามันโหดร้ายมันป่าเถื่อนเกินที่มนุษย์จะรับได้แม้แต่ในเรื่องของการ แต่ศีลประหานชีวิตใช่ไหมครับอิสลามก็บอกชัดเจนว่าในการประหานชีวิตเป็นการรักษาชีวิตคือแทนที่จะให้ฆาตรกรคนนึงรักษาชีวิตฆาตรกรแล้วให้ฆาตรกรไปฆ่าคนบริสุทธิ์10บคนการฆ่าฆ า, าตรกรย่อมดีกว่า อ, อ, อันนี้ครับ <laughs> เราไม่ระ บ, บุชื่อมากกว่านี้แล้วกันนะอันนี้ก็คือปล่อยกลับมาให้ฆ่าต่อก็คือกฎหมายชัดเจน ชัดเจนตามกฎหมายที่พวกเราบอกทีนี้ครับอันความหมายที่3ในเรื่องของการทําให้หัวอกเนี่ยชัดเจนเคสนี้เฉพาะเคสท่านอับดี๋มูฮัมมัดสุลต่านของอะไรที่ว่ซัลลัมเท่านั้นเคสที่3านะครับเคสที่3เคสแรกนี่ก็คือทําให้ทําอิบาร์ไดาแล้วมีความสุขอันที่2นี่คือบทบัญญัติเน่ไม่เรื่องง่ายใดอันที่3ก็คือพวกอัลลอฮ์เนี่ยทำการผ่าอกของท่านอบีวะซัลลัมจริง ๆ, ๆเลยทําให้มันโล่งไงก็ผ่าแล้วก็เอามาล้าง อย่างที่พวกเราทราบกันว่าท่านบีวัสดาซามได้รับการผ่า อ, อกแล้วก็ล้ า, ลางซึ่งนักวิชาการก็มีคลาปกันว่าท่านถูกผ่ากี่ครั้ง2ครั้ง3ครั้งหรือว่า4ครั้ง2ครั้งเนี่ยชัวร์ก็คือตอนที่อายุประมาณ4ขวบกับตอนที่ก่อนตอนอิสลอมิอารอ์ตอันนั้นนี่คือชัวร์ที่มีคลิปก็คือตอน10บขวบกับตอนอายุ25ปีมีคลิปว่าถูกผ่าด้วยไหมซึ่งเราคงจะได้พูดคุยกันถ้ามีเวลาตอนอื่นนะครับ หรือว่าอยากฟังสักหน่อยครับอยากฟังสักหน่อยผมจะพูดสักนิดหนึงเอาสักหน่อยโอเคครับมีครั้งหนึ่งอันนี้อยู่ในมุสเนตอิหมั่มอห์มัดนะครับท่านอบูฮุยรอดแบบมีครั้งหนึ่งที่ว่าท่านไปถามท่านนบีโมมสัส ล, ลลัลฮุวาเลฮิวะซัลลัลมท่านไปถามนบีบอกว่าโมมัสลลัลท่านจําได้ไหมครั้งแรกสุดเลยที่มีเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์บ่งชี้ว่าท่านจะถูกแต่งตั้ง มันคือเหตุการณ์อะไรที่ท่านอาบีจำได้คือตอนผ่า อ, อกสขวบเนี่ยท่านอาบีจำไม่ได้แล้วอายุแค่สี่ขวบมีใครจำตัวเองอายุยสี่ขวบได้บ้างน้อยน้อยนะมันจะเดือนลางมากๆเลยท่านอาบีและซารีซามบอกครับว่าสิ่งแรกที่ฉันจำได้นะเกี่ยวกับเรื่องที่น่าจะเป็นต้นเหตุที่ว่าฉันจะได้รับการแต่งตั้งเป็นอบีเนี่ยตอนที่ฉันอายุประมาณ10ขวบ10กว่าขวบ ท่านอับเบียชวัยุกว่าขวบท่านอบีอยู่ที่ทะเลทรายแล้วท่านอบีก็ได้ยินเสียงมีคนคนนึงพูดกันกับอีกคนหนึ่งก็คือมีคนสองคนคุยกันนะครับคุยกันว่าคนนี้เหรออีกคนก็บอกว่าใช่แล้วคนนี้แหละก็คือพูดกันถึงท่านอบีก็คือมายการสองท่านคุยกันคอนเฟิร์มว่านี่คืออับดบีที่พวกอัลลอฮ์สั่งมาให้มาจัดการใช่ไหม ครับขอมาสักครัรอัลลอฮฺอฮฺอัลอัลลอฮฺอัลบารัลลอฮฺอัลลารัลลฮะซซลลัลลอฮฺะซซัลลอฮ มาทุกท่านนะครับผมดูนาฬกาผิดปกติผมจะคำนวณเวลาให้มันเป๊กกว่านี้ตอนนี้เรายังอยู่ในอายาที่หนึ่งแล้วยังไม่ถึงครึ่งของอายาแรกปกติจะให้จบครั้งละหนึ่งซูรอ้อครั้งนี้เอาไงดีครับหมายถึงว่าอาทิตย์หน้าเราจะต่อซูร้อนนี้เดิมหรือว่าตัดจบต่อเนละ้ว โอเคครับโอเคครับโอเคครับออคือคือสหรับผมผมสนใจก็อย่างแหละครับเพราะเพราะเมื่อกี้ผมผมดูใน่แกะพีแต๊บผมนึกว่าเหลือมีกแบเกินชั่วโมงแล้วโอเคครับถ้ายล้วก็ เดี๋ยวเราเอาจบปัญญแรกก่อนเอาจบัญญนี้แล้วเดี๋ยวเอาอู้กันกรรมใช่หรครับผมครับในในฮะดีษที่ว่านะครับตอนที่ท่านอาบีอายุได้ประมาณสิบขวบเนี่ยที่ท่านอาบีเล่าให้กับท่านอับูฮา้ฟังุอยู่ในมุสติมมอามัดก็คือนักฮะดิษบางส่วนมองว่าฮะดิษนี้เป็นฮะดิษที่เชื่อถือได้สองเฮยสายงานเชื่อถือได้เนี่ยหะที่บางส่วนมองว่าฮะดิษบทนี้น่าจะไม่ถูกก็เลยเป็นประเด็นว่ามีคีรับกันว่าครั้งเนี่ยท่านบีถูกปาจิงหรือเปล่าแต่ว่าที่ท่านาบีเล ท่านอะบูเร า, าฟังก็คือมีชาย2คนมาหาท่านอบีในริสปนี้นะครับเมื่อชายสองคนมาหาท่านอบีปุ๊บก็ท่านอบีบอกว่าฉันได้พบใบหน้าคือหลังจากที่สองคนพูดเสร็จนะว่าคนนี้เลยบางคนก็บอกว่าใช่แล้วคนนี้แหละท่านอบีก็หันไปมองท่านอบีก็บอกว่าฉันไม่เคยเห็นใบหน้าไหนที่แบบว่าเหมือนใบหน้าของทั้งคู่มาก่อนท่านอบีใช้คําว่าไม่เคยเห็นใบหน้าไหนที่เหมือนใบหน้าทั้งคู่มาก่อนเป็นใบหน้าเป็นยังไงว่เราว่าล่ะ เอาเหมือนใช่ครับสํานวนเฮดิสมองได้2อย่างมองได้สองอย่า ง, อ, ง, อ, งอย่า ง, ยงแรกก็คือว่าเป็นใบหน้าที่งดงามจะแบบมาเคยหันไข่ลอกเราหรือว่างดงามขนาดนี้มาก่อนหรือว่าเป็นใบหน้าที่มาเหมือนใบหน้ามนุษย์พอได้่ติงกู้สํานวนพอนทีงกูทีครับที่บอกว่าฉันไม่เคยเห็นใบหน้าไหนที่จะมีรูปลักษณ์แบบนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยได้กลิ่นใดจากสิ่งใดที่ว่าจะมีกลิ่นเหมือนกับกลิ่นแบบนี้ก็คือมาได้แก้มานี่คือจัดเต็มทั้งรูปลักษณ์ทั้งกลิ่นที่แบบว่าหอม หอมแน่นอนครับไม่ใช่ขีดที่ น, นะครับผมแล้วก็มีเสื้อแพทย์ที่อาพรที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันฮาิสแบบนี้ถ้าเกิดว่าคนบ้าที่อยากจะบอกว่านี่ไงมือลืดต่างดาวมีจริงนักข้าวเวล า, ลอ เ, วลาเออนักข้าเวลาหรือมือต่างดาวสรุปมาเลกาไม่ใช่มือต่างจะเรียกษือต่างดาวด้วยไม่มาเกาไม่ใช่นะ้เมริกาอยู่บนโลกมาเลกาอยู่บนโลกนะต่างมิตินะต คือสรุปก็คือท่านบีรัสซาได้เห็นเห็นอาไรกันในรูปรักษณ์ที่แบบว่าท่านฝังใจเลยคือไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนแต่ท่านบีรัซาซัมไม่ได้อธิบายมากไปกว่านั้นท่านบีพูดต่อว่าครับหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ได้มาหาฉันแล้วก็จับคนนึ่งนะครับคนหนึ่งเนี่ยก็จับแขนฉันจับแขนฉันไว้ซึ่งฉันไม่รู้สึกว่าฉันถูกจับเลยคือจับโดนจับแต่ไม่รู้สึกว่าโดนจับอะครับก็วันละว่าราาำหลังจากนั้นครับ ท่านาบีก็ถูกจับนอนแล้วก็ถูกผ่าซึ่งท่านบีมสัสเรสซัลัมบอกว่าฉันไม่ได้รู้สึกว่าโดนผ่าเลยแล้วก็ไม่มีเลือดไหลออกมาเลยแต่คือท่านก็เห็นทุกอย่างแล้วก็รู้สึกมันโดนผ่านั่แหละแต่ก็คือไม่มีเลือดไม่มีอะไรออกม า, วาเวลาจาละหล่ำครับคือไม่เจ็บปวดไม่ร้องไม่อะไรสักอย่างเลยหลังจากนั้นครับมาเก้าคนนึงก็บอกว่าไงครับ ท่านหนึ่งก็บอกว่าจงเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามคุณลักษณะใดก็ตามที่ไม่ดีออกไปจากหัวใจเขาซะจากความอิจฉาจากอะไรก็ตามที่มันไม่ดีแล้วก็ อ, ออกไปซึ่งพอออกมาปุ๊บก็ออกมาเป็นลักษณะเหมือนเป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งในนี้บอกว่าที่ออกมาเป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งหลังจากนั้นครับก็มรดกท่านเดิมเนี่ยก็บอกว่าจงเอาสิ่งดีดใส่เข้าไปซะเอาความเมตตาเอาความอดทนเอาอะไรก็ตามก็ใส่ไปพอเสร็จปุ๊บท่านนบีอักุสซารันก็บอกว่า หลังจากนั้นสิ่งที่ฉันได้รับเพิ่มมาที่มีความรู้สึกเพิ่มมาก็คือฉันมีความรู้สึกเอ็นดูเด็กมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกให้เกียรติผู้ใหญ่มากขึ้น 2. อ, อย่างนี้เป็นคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่ท่านบิณฑบาตุลาส ร, รมบอกไว้ว่าไม่ใช่พวกของเราผู้ที่ไม่รักเด็กและไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่เพราะถ้าเกิดเราดูครับปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันมันเป็นปัญหาเรื้อรังยาวนานแล้วทั่ว่าโลกของผู้ใหญ่กับโลกของเด็กมันไม่แมตกัน เด็กมีความคิดของเด็กใช่ไหมเยาวชนมีความคิดของเยาวชนผู้ใหญ่ก็มีความคิดของผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่ก็คิดว่าฉันผ่านอะไรมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นที่ฉันหยิบยื่นให้เธอเน่ยดีที่สุดฉันวางแผนเนีดีที่สุดฉันรู้แล้วถ้าเธอไปอย่างเงี้ยเธอจะเจออะไรบ้างเธอไปซ้ายเธอเจอนั้นแน่นอนเธอไปขวาเจอเนี่ยแน่ฉันรู้หมดแล้วฉันก็เลยตีกรอบให้เธอในขณะที่เด็กบอกว่าไงครับเหมือนกับภาษิกำเมืองเขาบอกนะคนผู้ใหญ่ก็บอกว่าเฮาหน่ยอาบน้ำพอนมาก่อน น้ออ่อนมันก็บอกว่าตีลุงตีป้าอาบแบบใจหลวงใจฟืนใจหลวงของเปิ้นนี่ใจไฟฟ้ามันจะไปเหมือนกันได้มันก็เป็นคนละมุมมองใช่มครัก็คือเราอาบน้ําร้อนมาก่อนก็จริงแต่เราใช้เตาแก๊สเราใช้ถ่านใช้อะไรแต่เขานี่คือสมัยนี้มันแบบบางทีใช้ไฟฟ้าใช้เป็นไออบไอใช้อะไรสารพัดที่เป็นนวัตรกรรมมันก็เลยเป็นโลกที่บางทีมันจูนไม่เข้าใจเหมือนกับพูดกันไม่รู้เรื่องเด็กพูดไปทางผู้ใหญ่พูดไปทาง แต่จริงสมยนี้ไม่มีใครทสมัยนี้ไม่ทมันคือมันไม่ต้องเดือดร้อนใารนก็ได้ใช่มันสบายก็ได้เพลนโอเคมันมีความอยาอื่นเข้ามาแทนอ่นั่นแหละครับเขาก็เลยบอกว่าให้ไปถามเด็กเด็กจะมีสิ่งที่คุณไม่รู้แล้วก็ให้ไปถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็มีสิ่งที่คุณไม่รู้ต่างฝ่ายมีสิ่งที่คุณไม่รู้อิสลามเอาทั้งสองวัยมาจูนกันยังไงครับฮะดีษบทเมื่อกี้ฮะดิษบทเดียวจูนได้ทั้งคู่ไม่ใช่พวกของเราผู้ที่ไม่รักเด็กแล้วก็ไม่ให้ จีก็ได้ก็คือผู้ใหญ่ก็อย่าไปเผด็จการเยอะเกินไปแล้วก็เด็กก็อย่าไปแบบมีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็แบบไม่เห็นหัวผู้ใหญ่บางทีแบบไม่รู้เรื่องทำไมมันโง่าบางทีใช้สัพท์ที่หยากที่หยากใช่ไหมเราอาจจะเจอในโลกของเน็ตเยอะคือโดยเฉพาะนักเรียนคีย์บอร์ดนี่ไม่สนใจเรื่องของอายุฉันอยากด่าฉันด่ า, เ, า, เ, า, เ, าเดี๋ยวได้หมดนะอ้ครับงั้นตอนเนี่ยเมื่อเราพูดถึงการให้หัวอกที่กระจ่าง การให้โหรให้กระจายเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่มุสลิมเราต้องการมากที่สุดตอนนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่มุสลิมเราต้องการมากที่สุดตอนนี้เพราะเราอยู่ในยุคที่ฟิตรนามันรุนแรงมากฟิตรนาคืออะไรครับทบทวนความหมายครับว่าฟิตรนาอีกครั้งหนึง่งความหมายของฟิตรนาคือความวุ่นวายหรืออะไรก็ตามที่เมื่อมันเกิดขึ้นส่งผลต่อการศรัทธาของเราเรียกว่าฟิตรนาหมดเลย เหมือนกับที่พระรัชกาลเล็กหลานว่าไงครับแท้จริงลูกหลานและทรัพย์สินของเจ้าคือฟิตรนะพระรัชไม่ได้บอกลูกหลานไม่ดีนะแต่พระรัชบอกเตือนว่าลูกหลานเนี่ยจะมีผลต่อการศรัทธาของเรายกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยคนบางคนครับตั้งใจอยากเรียนศาสนาบางคนตั้งใจมาฟังบรรยายพอจะมาฟังบรรยายปุ๊บอา้าวติดลูกร้องไห้ฟังบรรยายไม่ได้ บางทีเปิดปลプライแบบตั้งใจแล้วเนี่ยฉันต้องฟังอาจารย์บรรยายให้ได้วันนี้ฉันอยากเรียนรู้เรื่องเตาฮีทวันนี้ฉันอยากเรียนรู้เรื่องอะไรก็ตามแต่ถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวต้องทำมันนั้นให้ลูกเดี๋ยวลูกแบบมัเงี้ยร้องไห้งองแงเดี๋ยวลูกจะสอบเดี๋ยวลูกไม่ได้ทําการบ้านเดี๋ยวอะไก็ตามฟิตเนสไหมส่งผลต่ออีิมานไหมส่งผลต่ออีิมานนะบางทีจะเตาบ้าปุ๊บติดเตาบ้าไม่ได้เพราะติดทรัพย์สิสนโอ้ตอนนี้ธุรกิจฉันกำลังไปได้ดีเลยแต่ส่วนใหญ่ห่ารอมดเลย โอ้แต่ฉันหยุดตอนนี้แล้วลูกฉันจะเอาอะไรกินลูกครอบครัวฉันจะเอาอะไรกินนี่ฉันมีเป็นล้านฉันมีเงินเดือนเข้ามาเดือนละแสนแต่นี่รออยู่สิบกว่าล้านอย่างเงี้ยฟิตนสไหมฟิตเนสเพราะนั้นคือคว่าฟิตเนสคืออะไรก็ตามที่มันมีผลต่อศาสนาของเราเรื่องฟิตนสหมดเลยแต่ไม่ใช่หมายความว่าสิ่งที่ทําให้เกิดฟิตเนสเป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับที่ท่านนบีมัศลอยละซุลแลมบอกว่าสิ่งที่เป็นฟิตเนสหนักที่สุดสาหรับผู้ชายคืออะไรครับผู้หญิง หมายความว่าผู้หญิงไม่ดีเหรอไม่ใช่ท่านอบีบอสซาลิสระบ่าว่า ส, ส, สิ่งที่ฉันรักมากที่สุดในดุนยาหนึ่งในนั้นก็คือผู้หญิงท่านอาบีบอว่าเป็นความสวยงามของดุนยาเพรา ะ, ะนั้นอยากให้เราทำความเข้าใจนะครับคําว่าฟิตนะไม่ใช่หมายถึงสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปแต่มันหมายถึงอะไรก็ตามที่หากเราไม่ระมัดระวังตัวมันจะส่งผลต่อการศรัทธาของเราเพรา ะ, ะนั้นมุสลิมเราก็ต้องขอดูอาจากอลเราล้อปิญญาไม่ห้หัวใจของเราท่า น, นมันปลอดโปร่งให้มันลอดพ้นจากฟิตนะ ดังๆต่อไปนั้นซึ่งดวอาที่ขอ น, นํามาเสนอในวันนี้ก็เป็นดวอาครอบจักรกวาลที่เราใช้กันเป็นประจำที่ผมเริ่มต้นในวันนี้ก็คือรบิช ร, รัลีสัตดุรีรรวายเซศรีอัมรีวะดินอุกตะมินลิซานีฟะหูกาดีสุรา น, นี้น่าจะท่องกันได้เป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าน่าจะส่วนใหญ่รู้ที่มาที่ไปไหมครับว่าสุรา น, นี้มาได้ยังไงที่มาที่ไปมาจากไหนอ้าวใครรู้บ้างครับติ๊กตับติกตบต๊กตับติ๊กตับติ๊กตัติ๊กตับมันต้องมีคนรู้สักคนสิครับ โอเคครับเราเล่าเลยแล้วกันน่จะได้ไม่เสียเวลาเวลาไปเงินเป็นทรอนอยู่ในสโลตต่อฮานะครับอายะกุรานอ่าดูานี้เป็นดูอาที่มาจากอายะกุรานก็คือใครก็ตามที่ขอาจากอัลลอฮ์โดยใช้ดูอาบทนี้เขาได้ผลบุญเทียบเท่ากระหน่อกุรานปกติเลยแล้วก็ได้ผลบุญเพิ่มของการขอดูอาแล้วพวกอะค์จะให้ตามที่เขาขอด้วยดูอาบทนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ว่าพระองค์แต่งตั้งท่านอบีมูซาให้ไปเผยแผ่ต่อฟาโร ซึ่งผมไม่มีทางเล่าจบอย่างี้ครับเริ่มตั้งแต่แ ก, กันยายนนะครับเดี๋ยวผมผมจเลขมาชั่วอาญาฟที่ซหครับอาญาฟทีเซหเป็นต้นไปสรลต์ต่อฮานะครับผมก็ลรับิชลอฮ์ลีเซอร์เดรีวอยเซสตลีอัมรีว่าลุดอลกตามมลิซานียัฟโกฮูเกาหลีเอาถึงแค่ตรงนี้นะครับมาต้องอ่านต่อว่าจารีวซีรอนมินอลีฮารูนอาีนี่ต้องอันนี้เป็นวาฉพาะลบเนเรื่องนี้ผมไม่สามารถเล่าให้จบก่อน อีกอมัดได้เพราะนั้นครั้งต่อไปเรามาต่อเรื่องนี้ละกันเนาะอิชาเอาล่ะครับผมแต่ก็ขอฝากไว้ครับดูอานี้มีความหมายว่าไงครับโอ้พวกเออโอ้ผู้ยุบาลของฉันโปรดทำให้หัวอกของฉันนั้นมันกระจ่าให้มันปลอดโปร่ปงก็แปลว่าเรื่องการให้หัวอกปลอดโปร่ปงเป็นเรื่องสําคัญมาก <redes sociales> มาคือเหมือนกับที่นรบีมัสซัมบอกไว้ครับพวกท่านอย่าได้เอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าให้ฉันฟังฉันอยากไปพบเจอผู้คนด้วยหัวใจที่ปลอดโปร่ปงคือถ้าหัวใจปลอดโปร่ปง จะเจออะไรหนักแค่ไหนมันก็ไปได้เพราะนั้นพวกเราบอกไงครับที่ให้ขอก็คือรับบิชลอฮ์รีซิร์ตีโอผู้อยู่บาลของฉันโปรดทำไม่อุโอะ ข, ของใจ น, นั้นปลอดโปร่งด้วยหัวยาเซิรลีอัมรีโปรดทําให้อะไรก็ตามที่ฉันจะทำเนะี่ยมันง่ายเพราะถ้ามันยากไอตอนปลอดโปง่งมันจะขับแข็งไปตอนนั้นแหละเห็นด้วยไหมครับคือบางทีปลอดโปรง่งรู้สึกสบายๆพอไปทําปุ๊บไขจะซ่อมมารซ่อมไม่ได้สักทียิงซ่อมยิงโมโหยิ่งลำคานเนี่ยคุยอยงทิ้งที่ ปอดโป่งนี่กลายเป็นคับแค่ไปเลยเพราะนั้นขออัลลอฮ์ให้เรามีหัวอกที่ปอดโป่งนะดังนั้นก็ขอให้ทําการงานอะไรมันก็ง่ายดายแล้วก็เวลาไปพูดกับใครเนี่ยก็ให้เขาเข้าใจง่ายๆบางทีเวลาพูดแล้วลิ้นติดๆขัดๆนะครับในกุรานใช้ ค, คําว่าโปรดให้ปมที่อยู่ในลิ้นมันคายไปปมเออเบางทีแบบอยากพูดเป็นร้อยออกมาได้แค่ห้าอย่างเงี้ยแล้วคนฟังเข้าใจแค่หนึ่งทะเลาะ ก, กันต่อ พูดความหมายดีดคนฟังนึกวด่าเขาอะไรประมาณเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นดูว่าบทนี้ครับขอให้การตะกุกตะกักหายไปจากลิ้นในขณะเดียวกันก็ขอให้เขาเข้าใจคําพูดฉันประเด็นนี้สําคัญนะยัฟกูฮูเกาหลีเพราะพูดดีแค่ไหนไม่มีตะกุกตะกักแค่ไหนถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เข้าใจสงครามโลกมันก็เกิดมาแล้วเพราะเรื่องของการพูดแล้วพูดไม่เข้าหูเนี่ยนะครับผมครับถึงตรงนี้ท่านใดมีคําถามครับงั้นผมขออนุญาตรูปลัสรึว่าอาทิตย์หน้าเราต่อซูร์ออลอินชรออลอีกตอนนึงครับ บทบรรยัติง่ายดายเฉพาะเทนูบีย์สำหรับคนเดียวจากความหมายที่ว่าการทำเมื่อหัวใจกระจจางการทำเมื่อหัวอกกระเจิงนะครับมันหมายความว่าจะได้ก็คือหัวอกกระจางด้วยกับการที่ว่าทาสิ่งที่ดีและหุ้สิดีโอเคครับอ่านว่าปประชุมครับสุากรกับไม่พังทึกาชลนตากับเดรามยกลตุรบบอเกาดครับผมขอมาพูดทนด้วยนะครับผมพรุ่งนี้องต้องเป็นปรติศาสตระชาครับผม